การลงพระกลมต่อยความเคารพมาอย่างเพื่อนจาธกรรมิกทุกทุกรูปจุลปา น, นคุณแม่จีอวาโซวาสิกาทุกท่านเราก็มาทำกิจกันธรรมบัเจ้าเป็นเทศกาลการเก็บรมเกี่ยม40วันเราเอาเนื้อเนื้อแมวน้ำ เาสาระเป็นสาระที่จะพาไปโซ่เป้าหมายสูงสุดก็คือไม่ต้องทุกข์ความเป็นปกติสาระเลวเราไม่เอาที่มันเลวไหลไหลสาระส่วนที่มันเป็นมรรคก็คือความรู้สึก การฝึกสตนะิการ ร, รู้ความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวแต่ละกณะเนี่ยจมันก็ไม่มีคำพูดอะไรแล้วนะสัมรับทุกขณะนะมันเป็นคำตอบเลยเป็นพัฒนาการเป็นเก้าแต่ะก้านะมันผ่านทันเดออดีตอานาคตหนะรือว่าอารมณ์ต่างๆมันปรากฏมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ สภาวะของผู้ดูมมีอยู่ทุกครั้งที่สัมผัสกระทบ น, น้อยแต่ว่าทำมากมากก็คือการรู้อย่างต่อนเนื่องไม่หันหน้าหันตาออกไปทั้งอื่นเรียกว่าวัตถุกรรมคุณตอนนี้ปัจจัยสี่ภายนอกแล้วก็อย่างนกรอบในกฎ ในกุดนะรวมใกเต็นก็ตามมันก็เป็นเรื่องของที่อาศัยยารักษาโรคถ้าเป็นปลาเราก็ใช้น้ํามูดเน่าการดื่มน้ําประโวะบินน้ำบาตบางทีเราเก็บลมเราก็ไม่ได้ไปบินน้ำบาตรข้างนอกนะเราก็โรงครัวก็ใช้ได้มันเป็นโรงทานแหล่งอาหารมากกว่าชาวบ้าน คนที่เข้ามาทำบุญทำทานก็ปรารถนาให้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละเพื่อจะได้บุญเกิดขึ้นมาอย่างสูงสุดมีความสุขให้คนที่มีศีลศีล น, นำสุขมาให้เรื่องของเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็มีแล้วจีวรผ้าสามผืนต่บางคนอาจจะมีสองชุดนะสองชุดล้วสมมุติ ไม่เกินเจ็ดวันเก็บเอาไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวันสมมติใช้ไปสักเราก็สามารถจะเปลี่ยนเอาที่สมมติมาใช้ได้อย่างนี้เป็นตน้นญาติโยมก็คมีเสื้อผ้ากันมากพอโดยจุดที่มันจะทําให้เกิดความสะดวกไม่ต้องเลือกสีเลือกสันเราใส่ชุดขาวกันปฏิบัติตามอย่างนี้เป็นตน้นเป็นสีที่บริสุทธิ์สะอาด เคือนุ่งห่มอากาศช่วงนี้เราก็สบายๆนอนเต็นท์ไม่อา้าวที่ไม่อ้าวเพราะว่าอากาศมันหลังเขาไม่เหมือนกับด้านล่างข้างล่างนี่ร้อนหัวค่ำนี่ร้อนแล้วตอนดึกๆทีก็พอสบายพรวันกลแต่ก็วันนี้ยอยู่ไม่ได้เลยร้อนแต่ที่เราแต่มาดียะใจเป็นความสะดวกก็การปฏิบัติดีเดียวปัจจสี่ ราสบายที่เป็นสบายอากาศสบายคำพูดก็สบายอย่างว่าทันเทศเนี่ยคำพูดสบายแต่ความเมื่อวานถ้าใครฟังให้ดีนี่ก้อนหัวลุกเลยนะตอนที่ฉันข้าวเช้ากันประสงค์โดยเฉพาะเนี่ยเป็นเปรตยังไงกับเพื่อนอาจจะบาปเพรเพื่อนอยู่เาศนาสนะที่เขาจัดหามาให้อยู่นึง่งวดยผู้อื่นอานึง่งโดยผู้อื่นวินทบาท เพราะนั้นเราอาจจะเป็นพระตูปาจีวิเพรก็คือขอแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาจิตขึ้นมาจากมนุษย์นะเป็นพระอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าปุถุชนเป็นมนุษย์นะหรือว่าจากพบภูมิอื่นๆยกขึ้นมาเป็นพุทธภูมิอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้อย่างไรนะว่าจิตของเราอยู่พบภูมิไหนก็ต้องลองปฏิบัติ ด, ดู มันหนักมันเบายัางไงมันปกติยังไงมันไม่ปกติยังไงมันคิดเรื่องอะไรใหม่ๆเลาปฏิบัติเลามันจะคิดถึงเรื่องปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกก่อนที่จะบวชก่อนที่จะปฏิบัตินะมีปัญหาอะไรบ้างเช่นบุกคนทุกคนก็มีเจ้ากรรมในเวนนะคู่สตรูนะอารีลาดนะหรือว่า คนที่เป็นมิตรเทียมนะไม่ปรารถนาดีกับเราอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมีเนะจ้ากรรมในเวทเพดเนี้ตามมาบางทีเราปฏิบัติมันก็แปๆๆๆอดีตการสมัยทำงานสมัยเรียนสมัยเด็กๆเนะคยโดนแกล้งมาเคยโดนโกงมาเคยโดนก็หลอกลวงมามันก็มาแล้วลูกหนี้บางทีก็มายืมตังค์ไม่คืนมันก็มามาแล้วลูกดือ้อ หรือว่าพี่น้องทะเลกกาะกันามาแล้วเหตุการณ์บันเหตุการณ์รณลืมไปแล้วตั้งนานแต่พอเคลื่อนมือสร้างเครืะองวมันมาทันทีเงี้ยบางทีก็มีเรื่องปัญหาหนี้สินปัญหาทํางานไม่สําเร็จการเรียนไม่สําเร็จด้วยว่าบางทีก็มากมายแล้วเกินมันก็ตามปัญหาสุขภาพเป็นต้นลุกไปใกล้เจ็บมันก็ตามมาให้เราเนี่ยออกจากกรรมฐานไปซะ ไม่ให้แล้วทางเดินสู่ทางพ้นตุกนะมันจะเป็นเจ้านายเป็นนะผู้ที่มีอำนาจอิทธิพลครอบงําจิตใจครอบงําชีวิตของเราต่อไปนะเราจะยอมไหมอย่างเงีนะ้ยนะเราจะเปิดเผยออกมาไหมให้เขาได้แสดงออกมาให้เราได้มันก็ว่ารู้จักว่ามันคืออะไรนะจะกดกดคมคมเหมืนที่เคยหรือเปล่านะรลเรากบเกลือนไปก่อนเอ๊ะมันคิดทําไมทําไมมันต้องคิด รู้ว่าพ่อมาเจริญผ่านด้วยความรู้สึกปัญหาเปลี่ยนเป็นปัญญาทันทีทุกครั้งที่รู้สึกตัวมก็เป็นการแก้อารมณ์ทันทีบางทีเป็นคนขี้เกียจขี้คันมาเป็นคนที่ไม่สู้เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหยิบโยงเละลาละละัละละลงทําดีแล้วไม่ทําดีมันใช่หรือบางคนยังเป็นคนใหม่หอยู่แล้วมาเกี้อารมณ์เข้มนะ ยังไม่รู้เรื่องกัรมาฐานแนวหลวงปเทียนเลยนะกำลจะเก็บอารมณ์แบบไหนกันเนี่ยจริงๆมันต้องรู้มาแล้วนะว่าการเคลื่อนมือการเดินจงกลมเนะี่ยมันเป็นกุศโลบายเป็นวิธีการโนะดยเฉพาะสถามเนี่ยเป็นแนวเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวสิบสี่ชั้นไหวการเดินไม่เก๊กไม่เก่งไม่เพง่งไม่จ้องไม่เกิดไม่เกินไม่กลัวนะเดินจนเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ที่สนคันที่สุดคือ ความคิดขณะเดียเรารู้สึกที่ฐานกายมันก็จะมีความคิดชวนหลงชวนคิดชวนปรุงชวนแต่ง เ, เรากลับมาเป็นไหมปฏิบัติธรรมนะกรรมสู่ธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติตธรรมดาธรรมดาเราจะไปตามความคิดเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมนะเป็นคิดดีคิดเชื่อคิดพอใจไม่พอใ จ, อใจงดหงิดอย่างนี้นั้นสภาวะของสมดุลความเป็นกลางปกติเนี่ยต้องรู้จัก รู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะ่้องรู้จักนะแล้วรู้สึกตัวที่ฐานกายนะ่าต้องรู้จักนะรู้ว่าการเคลื่อนมือนะการเดินจงกมนะรมเบบ น, เนี่ยรูปแบบแบบนี้มันพาไปไหนนะมันก็คือพาไปสู่ตักความเป็นธรรมชาติของการเคลื่อนไหวนะเราเคลื่อนไหวทั้งวันตื่นยันหลับนะลมหายใจกระพริบตานะการกรดิกนิ้วนะการหันใจแลวกวา่านะ แม้กระทั่งลมพัดมันสัมผัสที่ผิวหนังของเราเสื้อผ้าสบงจีวรสังขติพวกนี้นมาสัมผัสกับกายของเราเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดแม้กระทั่งขนาดนี้ก็ตามเรานั่งอยู่มันมีสัมผัสระหว่างก้นกับพื้นอันนี้ก็เป็นความรู้สึกตัวเหมือนกันเราอาจจะเคลื่อนไม้เคลื่อนมือพลิกมือตั้งรู้สึกยกขึ้นมารู้สึกอันนี้ก็เป็นความรู้สึกตัวที่เราผลิตขึ้นมา เจตนาเคลื่อนไหวขึ้นมาอันนี้แหละมันเป็นกบออกกบเป็นกรรมมันเป็นตัวที่ท้ายสุดมันจะพาไปเห็นของละเอียดละเอียดๆสติที่มันน้อยๆมันก็มากขึ้นเจริญขึ้นความคิดมันเป็นของละเอียดแต่มันก็หยากแตรารู้จักมันมันยาบมันไม่ได้ละเอียดอะไรหรอกแตเพียงแค่ว่ากายมันหยาบกว่าการเคลื่อนไหวมันยากกว่า ลมหายใจมันก็หยาบเหมือนกันแต่มันก็ละเอียดนะถ้าเทียบกับการเคลื่อนไหวมือของเราหรือว่าเดินชงกลมการกระทบสัมผัสอย่างเงี้ยนะความง่วงนี่มันก็หยาบแต่ว่าปฏิบัติใหม่ๆมันก็ละเอียดสังเกตได้ไหมพอปฏิบัติสักระยะหนึ่งมันก็มีการซึมซึมเกิดขึ้นมามีการหนักหนักแล้วกลายเป็นความงกง่วงนะทิศทางการเคลื่อนการไหวของารากายเหล่านี้ยปฏิกายนเหล่านี้มันมีอยู่ในกายของเรา กลับมาไม่ส่งจิตออกไปดูข้างนอกมันก็เห็นปฏิยาต่างๆอาการต่างๆมันก็คือธรรมชาติแต่เดิมเราไม่รู้เราปิดไว้เรากดเอาไว้เรากดเกลื่อนเอาไว้มันก็ไม่แสดงออกมาสักทีพะเราเปิดจ้องไปล็อกเขาไว้ พอเราเปิดเปิดตัวเองมาเมื่อกี้เหมือนกันว่าเราหงายของที่ควา้างเปิดของที่ปิดเขาก็จะแสดงออกมาแล้วก็ให้เราได้เกิดปัญญาจริงๆเห็นแล้วนะว่าคืออะไรก็จะแสดงเป็นแพทย์ไตลักษณ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยของเขาที่เขาสมควรที่จะแสดงออกมาแต่ละขนาแต่ละขณะเหมือนกันถ้ราระวังใจไม่ดีน วางใจไม่เป็นกลางวางใจไม่เกิดสมดุลเนะมื่จะเกิดอาการหนักๆขึนกก้นมาเป็นปฏิยาาการอันนี้ก็ไม่ได้ไหมายถึงว่าทำผิดนะการเพ่งมันก็ไม่ได้ไหมายถึงว่าทำผิดการเผลอไม่ได้ไหมายถึงว่าทำผิดนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้พูดนะแต่ว่าใครจะพูดยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของเขาะแต่โดยส่วนตัวนะมันไม่มีใครหลอกปฏิบัติไม่เกิดปฏิยาเหล่านีนะ้มันเป็นความจริงของคนเดินทาง อย่าเดินไปสารหน้าไม่มีใครหรอกไม่ผ่านสาบวัวถ้าอยู่จุดนี้นะไม่ว่าจะเดินไปทางสารไก่มันก็ต้องผ่านสาบวัวเดินไปทางออสํานัก ง, งานไต้ละก็ต้องผ่านสาบวัวมันจําเป็นแบบนั้นเลยนะมันเป็นสัจธรรมแบบนั้นเลยนะคนที่ปฏิบัติยังไงก็ต้องโงกบ่วงมีใครบ้างไหมปฏิบัติแล้วไม่ง่วงนะมนะีต่อให้ปฏิบัติมานานขนาดหลวงตะกรมก็ตามนะยังไงก็ต้อ ง, งว่วง มีจริงๆเมื่อยนะยังไงก็ต้องเมือ่อยมันเมื่อยจริงๆแต่ว่าเมื่อยแล้วเราผ่านมันได้ไหมนะคิดฟุ้งซ่านกันเหมือนกันนะยังไงยังไงก็ต้องมีเพราะยังไม่ใช่พระละหาันเงน้ยถ้าเป็นพระละหันแล้วไม่มีเนะมื่อวานหลวงพ่อธันเทศ็จถึงอารมณ์ปฏิบัตนะินเราจะผ่านมาพระโสดาบัานสติธาคามีอาณาคามีอารมณ์ต่างๆที่เป็นคนุณสมบัตินะ เป็นคุณธรรมของพระอริยเจ้าแต่ละขั้นแต่ละตอนนะมัมีการไต่เหมือนบันไดนั่นแหล ะ, ะพระละหัน์ไม่หมายเถึงว่าความฟุ้งซ่านหายไปตัววิจิตรฉามันหายไปตั้งแต่ต้นแล้วความสงสัยในเรื่องของสมถะวิปัสสนาเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องพุทธาสนาเรื่องของกายของใจรูปตามนันรามอย่างเงี้ยท้ายสุดก็คือเรื่องของความฟุ้งซ่านอุทันจากอุกุจกัย การคิดแบบไก่เขีย่ยการคิดแบบฟุ้งซ่านนะหลวงพ่อท่านก็พูดเสมอบางทีนะท่านต้นยางขึ้นสมองนะส่วนยางที่เกิดขึ้นจนเป็นป่าหิรโงกเนะนียสมันนั้นท่านบอกเลยว่าแม่ไม่รู้ไป็ยังไงช่วงนี้ต้นยางขึ้นสมองถ้าเราดูกันดีๆตัว น, นี้คืออะไรนั่นคือการเห็นนะว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะท่านรักนะธรรมชาติ อากาศต้นไม้สายลมแสงแดดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องยังไงให้เกิดหน้าที่ขึ้นมาให้เกิดประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันก็ยังต้องใช้ความคิดอยู่แต่บางทีมันก็เกิดขึ้นมาเป็นปัญญาโดยที่เราตั้งใจหรือโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าคุณธรรมเหล่านั้นหรือแม่กระทั่งตัวอวิชชาตัวไม่รู้หรือว่ารู้ไม่ถูกอเงี้ยก็ตามมันเป็นคุณธรรมที่น มันต้องเกิดการแตกฉานขึ้นมาอย่างสูงสุดแล้วนะคือเห็นความคิดจนกระทั่งขันห้านะเรียกว่าสัญญาสังขารหนะรือ ต, ตัววิญญาณตัวเวทนาเหล่านั้นในจิตนสะุกทุกต่างๆเกิดขึ้นมามันถูกรู้ทันละเอียดยิบหมดเลยทุกซอกทุกมุมนะแตกฉานขึ้นมาจนกระมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะ ถึงที่สุดจนไม่ต้องหาแหวงหาหรือต่อไปมันมีแต่การใช้ชีวิตเป็นอาการกิริยาของมันไปแต่ว่าใหม่ๆนยมันไม่ใช่แบบนั้นใแม่ๆมต้องเจตนากําหนดกํากับลงไปการรู้สึกการเคลื่อนการไหวแต่และขณะจุดเกิดความเป็นเองจริงๆนะเพราะนั้นหนึ่งเดือนนะลองดูว่าคุณธรรมต่างๆาร่วรายละเอียดต่างๆเราจะผ่านมันได้อย่างไรนะและเทียมกันก็คือ เอาแบบอย่างเลยนะก็ปี้เลยครูบาอาจารย์ท่านมีอยู่หลวงพ่ อ, อเขียนโดยเฉพาะต้องเก็บรายละเอียดของท่านใดวัน ร, ระหว่างก่อนที่ท่านจะเป็นอย่างทุกวันนี้ท่านทําอะไรนะเราถือนิสัยท่านเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์ลูกหาถึงท่านไม่ยอมรับก็ตามเถอะท่านบอกว่าอาภัพลูกศิษย์แต่แล้วก็เอาตัวท่านเราเป็นครูบาอาจารย์เอาเป็นแบบเป็นอย่างจริงๆ ท่านนั่งปฏิบัติเนี่ยในตอนที่เป็นโยมเน้เ น, นมาถามว่าอ้อ้ายรู้รู ป, ร ป, รปนามแล้วบ่เราฟังแล้วมันมันเติรนขึ้นมาเลยวราะมีการถามกันแบบนี้ด้วยเหรอเน้นถาว่ารู้รู ป, รปนามแล้วยังเน้นทํำไปกี่วันก็รู้แล้วเรื่องรูปน้ำหลวงพ่อรู้สึกว่าเออหลวงพ่อนี่มันผิดทําบาปมาหรือว่ามันมีบาปมาอย่างไง ทำไมม kind of like? yes, um, er er e ันเป็นเบนเป็นกรรมยังไงมันถึงไม่รู้เรื่องรูปเรื่องนามอย่างเงี้ยเนนก็พยายามสอนสอนสอนสอนหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกไม่ต้องหรอกเนนไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนเดี๋ยวจะทําเองเดี๋ยวจะทําเองเสร็จแล้วก็ไปถามหลวงปู่เตียนมีใครบ้างที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่รู้เรื่องรูปเรื่องนามไม่รู้ทำมาอย่างที่หลวงปู่เตียนสอนหลวงปู่เตียนบอกไม่มีหรอกไม่มีมาจับตัวหลวงพ่อก็ยาว อยากรู้จริงๆเลอะอยากรู้ครับเนี่ยรู้ไว้เนี่ยรู้สึกตัวไหมเนี่ยเนี่ยรู้ครับไปทําแบบนี้แหละนะเนี่ยเคลื่อนมือรู้สึกตัวต้องทําแบบนี้ได้นะเนี่ยต้องเคลื่อนมือสร้างจังหวะรู้สึกตัวเนี่ยท่านก็เท่เลยเราฟังท่านก็พูดให้เราฟังเนี่ยเราก็จํามาไม่ได้จํามาพูดแต่จําเมื่อมาเพื่อที่จะปฏิบัติเพื่อที่ย่อหย่างเนี่ย หมายถึงท่านทํำยังไงเราก็ลองทําดูมันไม่ได้เชื่อแต่ว่าไม่ปฏิเสธนะเพราะว่าเราไม่มีใครเลยที่จะชี้แผนที่ให้เราไม่มีใครเลยที่น่าจะไว้วางใจไดนะ้เราก็เห็นว่าท่านเนี่ยสมควรนะที่จนเป็นผู้ที่ไว้วางใจแล้วก็น้อมใจลองทําตามดูแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะึงจะเริ่มเป็นยังไงแหละ มันก็เห็นจริงๆนะว่าการเคลื่อนการไหวกำลังเป็นรูปธรรมมันไม่ใช่กายนะแต่ใหม่ๆนะเราไม่รู้รูปธรรมมันก็ต้องเห็นเป็นกายก่อนเป็นต้นเป็นก้อนไปอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากที่มันทําหลายวันกนะ็มันไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นความลับในตัวเราเนะี่ยะมันมีอะไจะเปิดเผยโดยเองออกมาสารภาพแต่ว่าคืออะไรอย่างเงี้ยกายเป็นยังไงนะ รูธรรมเป็นยังไงอาการของรูปธรรมเป็นยังไงและทิมขันนี้ก็คือเวลาจิตเราคิดเราชอบเผลอหลงไปเ mm hmm. ดี๋ยวว่าเวลามันผ่านอารมณ์คิดชั่วขึ้นมามันสํานึกบาปมันล ะ, ละลึกได้ถึงความดีความงามไอ้ตัวนี้แหละมันทําให้หลงปนิษฐ์ติดปนิษฐ์ติดดีอะไเนี้ยเวลาคิดขึ้นมาก็คิดดีอยากช่วยเหลืออยากทําอะไรมากมาย อันนี้มันยังไม่ใช่เป็นลักษณะของน้ำใจนะถ้าเป็นน้ำใจนะคือมันทําด้วยปัญญาแะ้วแต่แล้วนณะที่มันเป็นเรื่องของติดอารมณ์ความดีมันทําเพราะว่ามันติดอารมณ์บุญคราวนี้เราก็มาถามมันก็ไม่ทำหรอกมันทําไม่ได้หรอกแล้วมันก็ยังสงสัยอยู่ไปสุก็ทาดีแล้วยังทุกข์อยู่แบบนี้ทะเลาะกันนั่นแหะทําดีแล้วก็ดีเป็นสองฝักสองฝ่ายเห็นคนละแบบก็ดีทั้งคู่แหละแต่ทําไมมันกลายเป็นความไม่ สมัครสมานสามาคัคคีนะหรว่าเป็นความสองคนสงเหตุสองผลอนะไรอันนั้นแหละมันก็คืออารมณ์บนที่ติดเข้าไปแล้วก็กลายเป็นหยุดการเดินทางนะมันกลายเป็นเรื่องของอืเจวเวลาชีวิตนะเพราะเราทําเดีนมามากมายอยู่แล้วนะทําดีกับลูกกับหลานทําดีกับงานกับการทําดีกับพ่อกับแม่ทําดีกับสังคมรอบๆตัวสมัยก่อนที่เราเข้ามาปฏิบัติธรรมกัน เราทำดีจนกระังท้ายสุดแล้วก็อยู่ไม่ได้ในสังคมนั้น น, นัเราเห็นว่าที่นี่คือทางออกอีกทางหนึ่งในประเทศไทยแล้วว่างรวมตัวสมหัวกันอยู่นะในว่างวดนี้เก็บมาลงเข้มเี้ยแล้วเราจะมาทําอะไรกันเนี่ยถ้าไม่เคลื่อนไม่ไหวนะตามรูปแบบของกรรมาฐานวิธีการของกรรมาฐานมันจะไปทําอะไรกันทาไมสิวลาแต่ประะนั้นตรงนี้คนหัวลุกอาจจะเป็นเปลิดกันเลยนะ พระสงฆ์ก็จะเป็นเปรตญาตโยมก็จะเป็นเปรตนะแล้วก็หนักกว่าตอนเป็นฆราวาสญาติโยมกันเพราะฉะนั้นเมื่อวานเราฟังว่าดีตอนฉันเก้าชานะโน่นะมันตื่นเลยนะจิต น, นะหลับๆอยู่ดีๆทำอะไรกันอยู่นะมันกลับมาหาความรู้สึกทันทีเพราะฉนั้นเห็นหลือแค่กายแค่ใจของเราจริงๆนะในการเก็บอารมณ์เนี่นนะแล้วก็อยู่ง่ายๆปัจจัยสี่อาศัยสปายะนะ อาหารก็ตามมีตามได้มัดมือจกทำอะไรให้ก็ไม่ว่ากันนไม่ขวนขวายดินลนหายอย่างอื่นก็ไม่เอียงกันขวนขวายกันนะคือแปลดรนะ์ผมรอาดามารับเจ้าคําพูดนะถือว่าแปลดทีเดียวเราต้องนิ่งๆสมควรเ้วก็เหมือนกับว่ามันผ่านปฏิยาการแต่ท้ายสุดทรมีศีล น, นะปฏิบัติดีๆนะประเดี๋ยวเจ้าจบ้านขนของมาให้กินเต็มเลย แต่ลคนก่ายมากนะอดแถวชัยภูมิหรือว่าคนที่รู้ว่ามีการเก็บอารมณ์เข้มก็จะขนผลละหมากลากไม้มาไม่อดไม่อยากหรอกที่ไหนก็ตามที่เคยเห็นก็ปฏิบัติทำกันแล้วก็พยายามที่จะอยู่แบบสำรวมคำว่าสำรวมหมายถึงว่าพยายามระมัดระวังการเคลื่อนตัวไปต้นไม้ใบหญ้าศัลย์สาราสิ่งพยายามระมัดระวังสำรวมมีสติ คนก็ไมเห็นก็เกิดความเรียกว่าปิติใจอิ่มใจใจเป็นบุญก็จะทําบุญศีล น, นำสุขมาให้ศีลนําปกตพมาให้ศีล น, นาความเย็นมาให้ด้วนัเราได้เห็นและพิสูจน์เลยเราเป็นสวานาชีพราม้างเนี่นะเราก็อยู่ให้มันดูงามดูงด ม, มีการสั่งออเดอร์วันนี้จะฉันไก่เจียววันนี้จะฉันไอ้ น, นั่นไอ้นี่แมวอยู่กันแบบปากปิดสนิทเลยไง หรือว่าใครก็ตามที่ทําอาหารถวายพระเนะี่ยลงกลัวไม่ต้องบอกนะเพจนี้มีลาดหน้าถ้าใครไปฉันก็อาบัติหมนะหรือว่าจัดอาหารอย่างนี้ให้พระรูปนั้นด้วยนะกุยแต่หน้าคนที่ฉันนะใครฉันไปก็อาบัตินมดนะนี่เพราะนั้นกรอบเราอย่างไรเนี่ยจริงจมันละเอียดมากแต่ของเราไม่ต้องพูดกันอะไรกันมากเพราะว่าถือว่าทุกคนมารู้สึกตัวกัน ถ้าเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยจบแล้วนอกนั้นนะส่วนขี่ริ้วทั้งหมดเลส่วนทีเป็นแก่นแท้จริงๆก็คือตัวกล้งที่กลับมาเห็นตัวเองเห็นกายเห็นใจจําเป็นรูปธรรมแล้วก็เห็นความคิดเป็นนามธรรมความคิดมันเกิดตรงไหนสมมติฐานการคิดเนี่ยตรงนั้นนหละมันคือหัวใจของการปฏิบัติหลวงเตียนบอกให้เห็นกายเคลื่อนไวหวเห็นใจนึกคิด เราเห็นกายเคลื่อนไหวไหมใจนึกคิดเนี่ยเราเห็นมันไหมคิดแล้วกอดคิดแล้วรอดคิดแล้วหลงคิดแล้วรักคิดแล้วจังคิดแล้วก็ดีใจคิดแล้วเสียใจคิดแล้วก็สุขคิดแล้วก็ทุกข์เนี่ยก็ที่ตัวคิดทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราไม่เห็นความคิดตรงนี้มันก็ไม่ได้เห็นนามรูปการไม่เห็นนามรูปก็จึงสัมผัสกฐัตม์มาได้ช้า แต่ถ้าการคิดรู้ทำมาเนี่ยจะไวทันทีนะที่มันคิดได้ตรงเรียกว่าจินตามันยาันยาอันนี้จะไวแต่มันไม่ใช่ปัญญาภาวนาถ้าเป็นปัญญาภาวนาสี่สิบวันเนี่ยเราได้เจอกันแน่นอนสำหรับคนที่พยายามตนอมภูมฟักสติปัญญาที่มันเกิดจากการสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวเราก็จะได้เจอกันแน่นอนใน4ี่สิบวันเนี่ยนะ เพราะดันอันนี้ไม่มีการหลอกลวงกันแน่นอ น, นเพราะว่ามันคือศัจธรรมที่โกโหกกันไม่ได้หลวงปู่โกโกกเทียนโกหกเราไมได้หลวงพ่อขีนโกหกเราไมแล้วเราก็โกหกตัวเองไม่ได้เพราะเรากําลังสัมผัสรู้สึกตัวอยู่ขนาดนี่ยมันเห็นกายทางความเป็นจริงเห็นจิตใ จ, าาจาาาานะตามความเป็นจริงมันเห็นรูปตามนามตามเห็นกันท่าตามความเป็นจริงเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่มันมีอยู่ แต่ถ้าลงก็ยึดเมื่าเล่เป็นตันหาอุปทานเมาเลยนะเรียบร้อยนะเราก็คือเปรดคือสัตวรกคืออสุรกายนะเกิดอาจารย์ตกไปสู่ใบยมพรมหรเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นพระอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลือกภพเลือกภูมิเอาเราจะไปที่ทางไหนเนื้เกิดเนื้อแก่เนื้เจ็บเนื้อตายนะมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่าง จะมามืดไปมืดโน้นจะมาสว่างมีศรัทธาแล้วกลับไปมืดต่อไปศรัทธาตกเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นพะวกเราที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นเพื่อนเป็นกายามิตรญาติโยมก็สามารถที่จะบอกพระสงฆ์ได้แม่ชีสามารถบอกแม่ชีได้หรือว่าสามารถที่จะสอนกันตักเตือนกันได้นะอันนี้ก็ขอปรานาไว้เลยแล้วนะขอให้การร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้น ก็จงมีผลก็คือกอให้ทุกคนทุกท่านนะสามารถก้าวถึงสภาวะของการพ้นทุที่สุดอกองทุกขนะ์ตามสมควรแก่การเฏิบัโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทั้นเธอ